ยินเสียงถาดทองคําตกลงไปกระทบกันดังจิ้งแก่งแล้วกระตุนถ้า ย, ยังไม่ได้ยินเสียงถาดทองคํากระทบกันก็ไม่ตื่นเลยดูว่าหมู่เจ้ามันชอบอย่างนั้นบอกอย่าชอบอย่างนั้นกรรมมันก็แต่งให้แล้วนอกจาก ไม่ได้เป็นกาลนาแล้วนะคเป็นเกิดเป็นงูเหลือมคนชอบหลับชอบนอนไนงะงูเหลือมนี่ก็เลื่อยไปในป่าเดือไปเกาะตรงไหนก็นอนเหยียดอยู่ตรงนั้นจนว่าเหยื่อมันมากระทบเอาเนี่ยมีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเดินมา มาถูกตัวเข้าเมื่อนั้นยังค่อยตื่นพอตื่นแล้วก็ต ว, วัดรัดเอาตัดเหล่านั้นไว้ให้อามพินอาหารกินลงไปเนื่องจากว่ากรรมคือการกระทานี่นะ มันยอมเอาหน่วยผลให้ตามกิริยาของจิตที่ชอบใจชอบใจในสิ่งใดยึดมั่นในสิ่งใดมันก็เป็นตัวกรรมตัวกรรมอะไกัดํำตกแต่งให้ไปตามที่จิตมันชอบมันเป็นอย่างนั้นนะ อ่านดูให้ได้เรื่องกรรมกรเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีผลต่ความคิดความนึกต่างๆเหมือนี้เมื่อคิดตรงเวลามันทำตามที่คิดสีแบบนี้นั่นเอมันจึงเป็นตัวกรรม อคิดอยากนอนด้วยนอนมันแหละวันนี้มันก็เป็นตัวกรรมไปแหละ <c oughs> คิดอยากพูดอย่างนี้นะมันก็พูดไปถ้ามันคิดอยากพูดมาหยุดมันก็พูดไม่หยุดพูดไปมันก็เอาลนานเข้าเหลวไปไหลไปคาพูด จริงบ้างไม่จริงบ้างไปนั่นเองกร น, นิกรรมนั้นมันก็ตามสนองแลยวอนนี้น ะ, ะเกิดไปชาติใดก็ถูกเขาหล อ, อกเขาต้มตุนคิดผายเงินทองเข้าของนั่นเอเหมือนกันและกับตนพูดหลอกคนอื่นให้เขาหลงเชื่อนี่นะ กรรมนั้นมันก็แต่งให้แบบนั้นวะ น, นี้อื่ตนไปหลอกคนอื่นได้วะ น, นี้กรรมมันก็แต่งให้คนอื่นมาหลอกตนได้ในการภายหลังแล้วเราไปโทษคนที่เขามาเบียดเบียนตนวางแผนแก้แคนกันลงไปวะ น, นี้กรรมเวรนั้นมันก็เลยไม่หมดสักทีวะ น, นี้ที่แท้แล้วตนเองนั่น่ะก่อขึ้น <c oughs> ตกเห็นความสำคัญในกรรมคือการกระทาในให้มากงมั่งอย่าไปเมินเฉยถ้าฝึกตนเป็นคนหมั่นคนขยันอย่างนี้นะกรรมมันก็แต่งให้มั่นขยันเกิดไปชาติใดพบใดก็เป็นคนหมั่นคนขยัน แต่มันขยันทำความดีก็เพิ่มคูณบุญบารมีให้เกกล้าขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่มันขยันในการทำความชั่ว <c oughs> ในเรื่องกรรมมันเป็นอย่างนี้นะคิดให้ดีพระพุทธเจ้าก็พระองค์ก็ ฝึกพราองค์ให้เป็นคนหมั่นคนขยันนั่นแหละพระองค์จึงได้สร้างบารมีให้เต็มบริบูรณ์ได้ถ้าว่าพราะองค์ฝึกพ้ะองค์ให้เป็นคนเกียจคร้านทำการงานเฉย ช, ชาไม่เอาจริงเอาจังแล้วไม่มีทางที่จะได้ศัสรูเป็นพระพุทธเจ้านี่คําว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่มันมีความหมาย ความขวางเหลือเกินนะอย่าไปลืมนะทำนี่ต้องพิจารณาอยู่เสมอเรื่องกรรมนี่นะความเขียดข้านมันก็เป็นกรรมอันหนึ่งไม่ใช่มันไม่เป็นกรรมเนอะแต่มันเป็นกรรมฝ่ายชั่วแบบนี้คนะวามหมั่นความขยันทำความดี มันก็เป็นกฝ่ายดีนี่แหละโลกอันนี้ก็บท่านจรีว่าโลกคู่นะมันมีคู่กันเออมื่อมันมีเกียร์คลานเนี่มันก็มีมันขยันมาลบความเกียร์คลานอนั้นทิ้งเมื่อมันมีขยันความมันขยันเนมันก็มีความเกียร์คลานเน่ะมันลบ ความมันความขยันนั้นทิ้งไปเมื่อคนใดไม่ยืนหยัดอยู่ในความจริงปล่อยใจให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสนี่มันพลิกไปพลิกมามันมีมายาสาไถอบางครั้งมก็ให้มันขยันเอาขยันมันเพียนดี บางคราวมันก็หลอกให้เกียรคล้านขึ้นมาเชยชาขึ้นมาในเรื่องของมายาของกิเลสเป็นโทงพิสูจดูให้ดีอ่ะพ่อบุคคลไปตามรอพึ่ไปตามอำนาจของกิเลสนี่แหละมันก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมีมันก็ไม่เต็มง่าย ต้องคิดให้ดีอันบุญบา ร, รมีมันจะเต็มง่ายเต็มไปได้ก็เพราะขาจัดความเกียดคร้านออกไปเอาความหมั่นความขยันเข้ามาใส่ไว้ในหัวใจให้มันมากมา ก, มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ <c oughs> เจ็บไข้ได้ปวดนิดหน่อยก็ว่าเป็นหลายคนเกียดคร้านมันเป็นยังน้นคนเกียดคร้านก็มักจะมีมายาคนมันขยันนี่ไม่ค่อยมีมายาตรงไปกรงมาทำอะไรทำจริงไปเลยหนักเอาเบาสู้ เพราะฉะนั้นนะมันทุกคนนะมันต้องเพียรพยายามขจัดความเกียดครานนั้นออกไปไอเราเป็นนักบวชนี่นะถ้าไปนอนตื่นสายแล้วได้ชื่อว่าเป็นไม่มีคุณธรรมของนักบวชเป็นคุณธรรมของผู้คลองเรือนผู้บริโภคกา ร, รมคุณ ผู้พวอกามาคุณนั้นมันชอบหลับชอบนอนชอบความสุขชั่วคราวเหมือนนี่ส <c oughs> ุขในการหลับการ น, นอนสุขในการกินสุขในการร้องรำทำเพลงสุขในการได้สังคมกันได้คุยกัน ได้ตลกเห้าไปอย่างนั้นนะ่ะถือว่ามีความสุขแต่ที่จริงแค่ละมันแฝงอยู่ด้วยทุกข์วามเพิดเพลินบัวเมาแบบนั้นนะ่ะไม่ใช่มันมีแต่สุขต้นล้นนะมันแต่ไม่ตื่นตัวคนเรานะ่ะ ผู้ใดตื่นตัวแล้วก็จะไม่ล้ไม่เพลินไปอย่างนั้นเพราะมามองดูชีวิตนี่มันมีน้อยนิดเดียวหนึ่งถ้าไปเอาเวลาไปไปในทางสนุกชั่วคราวความสุขสนุกสนานชั่วคราวนั้นเสียเป็นส่วนมากแล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดี อะไรเนี่ยเพลินไปเพลินมาเนี่ยหนึ่งก็ตายก็ได้เชื่อว่าเกิดมาเสียชาติเปล่ า, เ, ลาเกิดมาในโลกนี่ไม่มีความดีอะไรเป็นอนุสรณ์นีแต่วความชั่วเป็นอนุสรณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ระหมาิผู้ไม่ตื่นตัว เหมือนอย่าง <c oughs> มแมลงเมามันไม่รู้จักกองไฟก็ไฟลุกโคลงขึ้นมันบินเข้าไปตอมไฟไฟก็รวบเอาตกลงตายมีเท่าไรตายเท่านั้นมแมลงเมาก็เพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมัน มันเห็นผิดมันเข้าใจผิดมันนึกว่าแสงสว่างอหลนั้นมันจะอำนวยความสุขให้เคมันมันยังบินเข้าไปหาเลยแต่ถ้ามันรู้ว่านั่นคือเปลวไฟมันร้อนถ้าเข้าไปไกลแล้วมันจะไหมเอาเลยถ้ามันรู้อย่างนั้นนละมันก็ไม่เข้าไปแล้วไม่บินเข้าไปหาอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นไง หนูคนได้รู้แล้วว่าความเพลิดเพลินความสนุกสนานชั่วคราวดังกล่าวมานั่นนะถ้ารู้ว่ามันเป็นเหยื่อร้อให้เข้าไปติดอยู่ในกองทุกข์ถ้ารู้อย่างนั้นแล้วมันก็หายเพลินหายเหมามันไม่ปราถนาเลยเรื่องความรู้นี่นะสําคัญมาก น, นั้นทุกคนต้อง ฝึกที่โดยเจ้าพ่อผู้เป็นนักวดนี่ยิ่งสำคัญมากผู้เป็นนักวดนี่มันต้องรู้เรื่องหูนี่ถ้าไม่รู้เรื่องความสุขชั่วกราวกับความสุขอันถาวรเช่นนี้แล้วไม่ใช้ไม่ได้เลยนักวดตามตำราท่านกล่าวไว้ ท่านพูดที่ออกบดทั้งหลายนะั้นล้วนใจเห็นภัยในวตาสงสารทั้งนั้ น, นเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นภัยอันใหญ่หลวงต่อชีวิตเอ๊ะจะมามว์เมาเพิดเพลินอะไรอยู่ในความถูกโชคคราวนี้ไม่เห็นมันได้อะไรเมื่อตายลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไปนั่งภาวนาอยู่ในป่านะั้นสงบใจวังเวงอยู่ในป่านั้นจะไม่มีความสุข ก, กว่านี้หรื อ, อเพื่อนก็พิสเพ่งดูแล้วก็รู้ได้ริงทีเดียววบุคคลผู้เป็นนั่งเพ่งชานอยู่ในป่าละ ความรักความชังเสียไม่ปล่อยใจฝักไปไปในความรักความชังมีใจเป็นอกเบกขาอยู่ในปัจจุบันนะมันก็แสนมีความสุขมากเพื่อนก็พิจารณาเห็นอย่างนี้นะก็จึงได้สละบ้านเรือนออกไปบวชกันแต่ส่วนมากเพื่อนคิด ตกลงใจอย่างนั้นแล้วไม่ค่อยกลับหลังคืนเลยแม้จะบวชเป็นเลอสีชีภัยก็ต้องสู้กันไปจนตลอดชีวิตไม่เช่นนั้นแล้วท่านเหล่านั้นก็จะไม่ได้มาตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้า ไม่ได้เป็นพระอาราหาันรตส า, าวกผู้เลิศไปด้วยฤทธเดชต่างๆบุคคลผู้ที่เลิศไปด้วยฤทธด้วยเดช น, นานาประการนั้นล้วนตั้งแต่เกิดจากสมาธิจัฌานสมาบัตินีนะ่เป็นฐานที่ตั้งแห่งฤทธเดชต่างๆหมดนะั้น เมื่อท่านท่องเที่ยวมาในสงสารมาได้เกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าแล้วได้ออกบวชบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปท่านก็ได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วเจริญวิปัสสนาต่อก็ได้สำเร็จอรหรันท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้ ยิ่งไปด้วยฤทธเดชนานาประการเราท่านผู้ที่ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแต่ไม่มีคุณพิเศษอย่างว่านั้นตั้งแต่สร้างวา ร, รมีอยู่เพื่อนก็ชอบภาวนาทำใจให้ส ง, งบแต่ก็ไม่ถึงกับได้บรรลุฌานสมาบัติ อชอบจำศีลอุโบสถถ้าเป็นครึงหัดก็ดีชอบไปสเสวงหาที่สงบสงัดและสมทานอุโบสถศีลและสำรวมกายวาจาใจสำรวมอินทรีย์หกโยอย่างสงบระงับ ความสงบอย่างนี้มันทําให้คุณค่าของศีลของธรรมทั้งหลายมีกำลังแรงกล้าขึ้นต้องเข้าใจถ้าผู้ใดไม่ทําใจให้สงบได้แนละ้วก็บุญบา ร, รมีไม่แก่กล้าขึ้นได้ไง่ายๆทําบุญก็ได้บุญอยู่แต่ว่าบุญนั้นไม่มีกำลังแก่กล้าต้องเข้าใจ บุญกุศลจะมีกำลังแก่กล้าก็เพราะผู้นั้นทำใจให้สงบลงชอบความสงบเป็นที่ตั้งไม่ชอบความวุ่นวายความฟุ้งซ่านผู้ทั่งสมบุญกุศลผู้มีบุญบารมีแก่กล้าอยู่ในใจย่อมมีลักษณะอย่างนี้ เพิ่งเข้าใจเพราะว่าบุญนี่มันเป็นสภาวะที่เยือกเย็นเมื่อมาเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดก็ทำให้ใจของผู้นั้นเยือกเย็นไม่ไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสปาประธรรมแล้วก็มีใจสงบหนักแน่น บุญอารุภาพของบุญกุศลเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นลองพากันสังเกต ด, ดูจิตใจตัวเองวันเป็นไงอยู่ทุกวันเนี่ยมันร้อนหรือมันเย็นมันหล่อแหละหรือว่ามันแ น, น่นนั่นแะก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนนะจะพึ่งพิสูจพิจารณาด้วยตนเองจะให้ใคร คนอื่นมาพิจารณาให้ไม่ได้เลยเราต้องทำความเพียรเองแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยตนเองให้รู้เรื่องของตัวเองผู้ใดได้ดื่มรสแห่งความสงบของจิตใจแล้วผู้นั้นก็จะทราบซึ่งในรสแห่งความสงบอันนั้นว่ามันเป็นถุกมาก เมื่อผู้ได้ทราบซึงในรถแห่งความสงบแล้วมันก็ไม่ต้องการในวันนี้ความฟุ้งซ่านความเพลิดเพลินความตลกเทหท์อะไต่างๆไม่ต้องการมันตรงกันข้ามอย่างนั้นสำหรับผู้ที่ทำใจให้สงบไม่ได้แล้วก็แน่นอนเนี่ยมันต้องชอบสนุกสนานชอบเพลิดเพลินไปตามกระแสของโลก โลกเขาเพิดเพิดเพลินไปยังไงตนก็ไหลไปตามเขาต่างคนต่างก็มีจิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยเหมือนกันเมื่อก็ไปตามกันได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นมันจึงทะเลสาไหลไปเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราไปเป็นนักเลงเล่นการพนันขันต่อ เพราะว่าความโทษเพลินอย่างนั้นนี่งานหนักไม่ต้องการทําอ่ะต้องการทําแต่งานเบาๆถ้าไปเล่นการพนันนี่มันไม่ได้แบกได้หามอะไรเอาเงินต่อเงินเอาถ้าโชคดีก็รวยขึ้นมาไม่ต้องกากล้ำลําบากทํางานถ้าเผื่อว่ามันผิดพลาดลงไปก็หน้าหิว เลยกลายเป็นโจรแบบ น, นี้นะนั่นนี่แหละบุคคลผู้มีจิตใจเลื่อน้อยฟุ้งซ่านแล้วมันทำความดีไม่ได้เลยมีแต่หมุนไปหาทางชั่วเรื่องมันนะมันต้องให้เข้าใจนี่เท่าที่พูดให้ฟังมานีนะ่ก็พอที่จะมองเห็นความสำคัญของจิตใจแล้วไม่ใช่เลย ถ้าไม่ฝึ ก, กจิตดวงนี้ให้ดีแล้วไม่เศร้าจะไปฝึกอะไรจะไปทําบุญกุศลไปทําไมอ่ะทําบุญกุศลไปเพื่ออะไรมันก็ต้องรู้จักจุดประสงค์เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักจุดประสงค์เลยเห็นเพื่อนทําก็ทําไปตามเพื่อนไปไงั้นแหละ ทำบุญกุศลนะนี่ถ้าผู้ที่รู้จักจุดมุ่งหมายแล้วนะมันก็ได้ผลมากการทำบุญนะดังนั้นนะพิจารณาดูซิระเบียบของการให้การบริจาคให้อย่างทัตตบุรุษเท่านาอย่างนักปลาดให้เพื่อนก็ยกของนั้นจบศีรษะ แล้วอธิษฐานก่อนเรีวยกว่าแสดงความเคารพต่อวัตถุทานนั้นไม่ได้ทำอาการดูดทิ้งเตี่ยคเนะเช่นเอาไปวางไว้นั่นเฉยๆอย่างนี้นะเนาวมันเป็นการไม่แสดงความเคารพต่อของทานอันนี้ถงมันก็ไม่มาก ถ้าอย่างนักปราชห้ทานแล้วเพื่อนก็แสดงความเคารพตกของทานคล้ายๆกับว่าของเหล่านี้นะเป็นของที่เราหามาได้แสนยากแสนลำบากและเป็นของสิ่งที่หวงแหนมากแต่เมื่อ น, นึกถึงการให้การบริจาคแล้วก็สามารถละความหวงแหนอันนั้นออกได้ให้ด้วยความเต็มใจ ให้ด้วยน้ำใจที่เบิกบานนี่นึกอธิษฐานในจิตอธิษฐานขอให้ผลทานการกรุศลอันนี้นำตนให้พ้นจากทุกข์ใครในวัฏจัรสงสารอธิษฐานจิตอย่างนี้แล้วก็น้อมเข้าไปวางใส่มือผู้รับให้รับเอาจริงๆ ถ้าเป็นสุภาพส ต, ตรีถวายของพระพระก็จะต้องปูผ้าลงที่พื้นแต่ต้องวางของใส่บนผ้าก็ถือว่าเป็นการให้ด้วยมือจริงๆนี่หละผู้รับก็เรียกว่ารับด้วยมือจริงๆแต่ว่ารับแบบถูกต้องตามวินัยของพระ แสตสุภาพบุรุษแล้วไม่มีปัญหาอะไรเราก็วางใส่มือโดยตรงเลยเนงั้นนี่แหละการทำความดีนี่มันมันก็ต้องมีระเบียบมันต้องมีกฎเกณฑ์อยู่เมื่อไปทำตามระเบียบได้มันก็มีผลมากผลทางจิตใจน่ ทำใจให้หนักแน่นทำใจให้เยือกเย็นนี่แหละที่ว่าให้ฟังว่าการทำความดีทุกอย่างก็เพื่อสงเคราะห์จิตดวงนี้ให้มีความสุขความส ง, งบมเมื่อสรุปใจความลงแล้วนะเพราะว่าเมื่อเรา ทำบุญทำทาน ล, ลงไปเราน้มใจลงไปจริงๆอย่างนี้นะน้มเอาความดีเหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจบุญกุศลเหล่านี้มันไปเข้าไปถึงจิตใจแล้วความโลภความนณีอะไรมันก็หายออกไปนั่นแหละใจมันจึงเบิกบานผ่องแผ้วท่านจึงเรียกว่าได้บุญหลายนี่เราทำอะไรความดีอะไรก็เพื่อจิดออดตดวงนี้ เพื่อขับไล่ศัตรูของขีดนี้ออกไปพูดกันอย่างแจ้งแย่งศัตรูของขิดนี้คือกิเลสบาปธรรมเราจะไปเอาเวทมนตร์คนาถาอื่นๆมาขับไล่นั้นไม่มีทางมันจะออกไปได้เเราเอาทานนี่ขับไล่ความโลภความตณีออกไปเอาศีลขับไล่ความโกรธความมายาบาทออกไป เอาภาวนาขับไล่ความหลงความไม่รู้ทิงเห็นแจ้งออกไปนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเราทำสมทานมั่นลงไปจริงๆเนะี่ยมันก็กำจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปได้จริงๆถ้าจะทำแต่อย่างเดียวจะให้จ่ทานอย่างเดียว แล้วจะให้มันกำจัดความโลภโกรธหลงออกไปหมดมันไปไม่ได้มันไม่มีกำลังพอพระพุทธเจ้าสรงรู้แจ้งส่งจิงแสดงข้อปฏิบัติไว้หมวดละสามอย่างนี้เมื่อได้บำเพ็ญไ้พร้อมกันไปแล้วมันก็มีกำลังเข้มแข็ง เ, เต็มที่มันก็ขจัดกิเลสสามกองนั้นออกไปได้ แต่ให้แต่ทานอย่างเดียวท่านั้นก็กำจัดได้กองเดียวอันนี้เมื่อรักษาศีลเข้าไปเพราะว่าผู้สารวมในศีลแล้วนี่จะไปโกรธไม่ได้ <c oughs> ถ้าโกรธแล้วศีลก็เศ่าหมองถ้าไปลงมือเบียดเบียนผื่นเข้าไปแล้วศีลขาด <c oughs> แต่พอเริ่มต้นโกรธนี่มันก็เศ่้าหมองไปแล้วศีล น, นะ แต่ถ้าผู้ไปรู้แหละนึกว่าไม่เป็นไรนะะไม่ได้ทุบไม่ตีเพื่อนไม่ได้ทําร้ายร่างกายเพื่อนมันจะผิดศีลตรงไหนเพียงโกรธเฉยๆมันจะเป็นอะไรนั่นเข้าใจผิดไปไม่ใช่อย่างนั้นนี่เขาโกรธขึ้นมาแล้วมันก็เศร้าหมองไปแล้วจิตเอ้มันเป็ น, นงั้น ก็ลงมือประหารทหานผู้อื่นเข้าไปมันก็สินขาดมันเป็นงั้นทีนี้อันบุคคลที่จะให้ทานรักษาศินไม่ได้บุคคลที่จะให้ทานรักษาสินไม่ได้นั้นกระเพาะมันหลงมันไม่รู้นั่นแหละถ้าผูใ้ใดได้ภาวนาได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไป ได้ภาวนาสำรวมจิตใจเข้าไปภายในเพ่งพิจารณาอยู่ภายในมันก็เห็นแจ้งขึ้นมาในใจเห็นแจ้งขึ้นว่าไอ้ใจที่ไปห่วงไปห่วงวัตถุภายนอกไวนะ้นั้นนั่นมันเป็นหนทางให้เกิดทุกข์มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อผู้ภาวนาทำใจสงบมันก็มองเห็นอย่างนี้ พอมองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ให้ทานได้ไม่เสียดายไม่อะไรแบบนี้สิ่งใดที่ควรให้ไปก็ให้ไปได้ด้วยความเต็มใจเลยไม่นึกอะไรไม่นึกเสียดายคนไม่ได้ภาวนาเนี่ยบางอย่างเนี่มันใจมันผูกพันอยู่แต่จําเป็นต้องให้ทานให้ทานไปทั้งที่มีจิตใจอะไรอยู่นั่นแหละผูกพันอยู่นั่นอย่างนี้ก็มี ถ้าเป็นเท่นั้นอานิสงส์มันก็ไม่แรงเพราะมันแทรกอยู่ด้วยกิเลส <c oughs> นี่นะพูดถึงการให้ทานนหลวงพี่นาดูาอย่างว่ามันมันมีข้อที่จะต้องวินิจัยกัน ม, มันมีอุบายแยบภายที่จะต้องทำกันภายในจิตใจนมันจึงมีอานิสงส์มาก ถ้าให้ไปเฉยๆด้วยถดถายเฉยๆเนี่ยไม่มีอุบายแยบภายในใจอะไรเช่นนี้นี่อา น, นิสงส์ก็ไม่แรงกิเลสในหัวใจมันก็ไม่เบาบางออกไปมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นให้พึงพากันพิจารณาดูให้ดีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีในอันพิสดารกว้งขวางมาก ที่กว้างขวางนั่นเพราะอะไรนะก็เพราะกิเลสมันก็มีเลสมีในของมันอย่างพิสดารกว้างขวางเหมือนกันถ้าหากว่าธรร ม, มะนี่ไม่พิสดารกว้างขวางก็ตามกิเลสไม่ทันส ก, กัดกั้นกิเลสไม่อยู่อ่มันเป็นอย่างนั้นไม่เช่นั้นแล้วพระศาสดาจะทรงแสดงธรร ม, มะมากมายก่ายกองหรือคิดดู ที่ทรงแสดงธรรมมากมายอย่างนั้นนะกล่าวว่ากิริยาจิตของบุคคลผู้รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหานี่นะมันร้อยแปดพันอย่างที่มันแสดงออกมามันเป็นอย่างเงาเรืองมา น, นะดังนั้นพระองค์ก็ทรงรู้แย่งในธรรมที่จะสกัดกั้นกิริยาจิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย โดยตลอดเลยดังนั้นเนี่ยพระธรรมคำสอนที่พระองค์เจ้าแสดงมันจึงมากถ้าผูใ้ใดไม่มีกิริยาจิตอันประกอบไปด้วยกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดเหล่านั้นน่ะมากมายนั่นพระองค์ไม่ได้ลำบากเลยการแสดงธรรมองค์แสดงธรรมแนะนำไป ไม่มากเท่าไรหรอกท่านเหล่านั้นก็รู้เกิดความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งขึ้นในใจได้ขจัดกิเลสตัณหาออกจา ก, กจิตใจได้แต่พระ อ, องค์มันก็องค์ได้ความลำบากมันก็เกี่ยวกับบุคคลที่มีกิเลสแทรกแทงอยู่ในใจมากมายกายคองนี่เองเนี่ย ดังที่เราจะเห็นได้ความประพฤติของคนเรานี่นะในชั่วโมงหนึ่งนี่กิริยาอาการของกายวาจาใจมันพลิกแพงไปไม่รู้กี่อย่างกี่เรื่องใน<ม>นี้แห่ดังนั้นนะหากว่าพระพุทธเจ้าไมา่ได้ทรงแสดงธรรมหลายอย่างอย่างนั้นมันก็ไม่ ถูกกับจริตของบุคคลผู้ที่มากไปด้วยกิเลสตัณหาอย่างว่านั้นเมื่อโฮงเจ้าแสดงอุบายหลายอย่างเข้าไปมันก็ไปถูกกับจริตของคนเหล่านั้นสัอย่างไหนอย่างหนึ่งเข้าไปมันก็ได้รู้ตัวตื่นตัวขึ้นมาได้เป็นอย่างนี้แหละถ้าหากว่าคนเราเนี่ย ไม่มีกิเลสแทรกแซงอยู่ในหัวใจนั้นมากมาย่ายคองอย่างนี้นี่พระองค์จะไม่ได้แสดงธรรมมากปันานี้เลยเพระองค์จะแสดงธรรมไม่กี่สูตรแล้วคนฟังแล้วได้มักได้ผลธรรมวิเศษคนทุกข์คนภัยไปได้อย่างนี้นยะพระธรรมคำสอนของพระองค์ไม่มีมากหรอก ก็ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเนี่ยการทำข้อวัดปฏิบัตินี่พระศาสดาทรงสแสดงข้อปฏิบัติไปมันถึงมีหลายในหลายอย่างไม่เฉพาะที่เป็นนั่งหลับตาภาวนาเท่านั้นนอกจากนั้นนอกจากนั่งหลับตาภาวนาอะ้มันก็ มันต้องมีการกระทาบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปประกอบกันไปด้วยถ้า จ, จะไปนั่งแต่ภาวนาเท่านั้นมันก็ไม่หลอกพอบเพราะว่าชีวิตยังเป็นไปอยู่เมื่อชีวิตยังเป็นไปอยู่มันก็ต้องอาศัยปัจจัยจสี่เหมือนนี้ อย่างเช่นเป็นพระวิกรุสามเณรอย่างนี้นะมันต้องมีความเป็นอยู่เนื่องด้วยชาบ้านถ้าหากว่าปรับพติตนไม่มีวินัยไม่มีระเบียบเป็นคนเกียจคร้านทมความเพียรเกียจคร้านทำข้อวัสติบัตอย่างนี้มันก็ไม่เป็นที่นับถือเรื่อมใสของประชาชนของผู้ครองเลือนทั้งหลาย เขาเห็นเขาแล้วเขาขาดศรัทธาเรื่อมใสลงบงนันีินักบวชเหล่านั้นก็ต้องอยู่ไม่ได้ไม่มีปัจจัยเครื่องอาศัยแล้วก็อยู่ไม่ได้นั่นลองสังเกตดูนั่นที่เรามีปัจจัยเครื่องอาศัยอยู่พอประทังชีวิตไปได้นี่ก็เพราะว่า ผู้คลองเรือทั้งหลายเขามองเห็นนกวชนี่ว่าเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยวินยัยเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสังงัดปราลบความเพียรอยู่บ่อยๆนี่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเสมอเสมอ มักน้อยกับมักต้องการให้กิเลสตัณหาในหัวใจมันน้อยไปโดยลำดับสันโดดก็เป็นผู้สันโดดยินดีตามีตามได้ในปัจจัยทั้งสี่ชอบสั ง, งัดก็หมายเอาว่าไม่ชอบพุกขีด้วยหมู่ด้วยคณะไม่หาทางชุมนุมกันแล้วคุยกันในเรื่องไม่เป็น สาระประโยชน์อะไรถ้าจะมีการชุมนุมก็อย่างเราชุมนุมกันอยู่ในศาลากา ร, รเรียนอย่างนี้นะถ้าใครมีข้อข้องใจอะไรก็เรียนถามท่านผู้เป็นประมุขประธานเข้าไปท่านจะได้อธิบายให้ฟังแล้วก็จะได้ยินได้ฟังทั่วกันนี่ ท่านเรียกว่าธรรมฉากัตฉาการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลอันสูงส่งถ้าหากว่าจะไปได้ประชุมกันเป็นส่วนย่อยก็ต้องปารกธรรมวินัยกันไม่ใช่ปารกเรื่องโลกเรื่องสงสารต่างๆเหมอนนั้นอันนั้นท่านถือว่าเป็นการคลุกคลี พระพุทธเจ้านะทรงสรัสว่าเป็นเรื่องคุกครีดโดยหมู่โดยคณะเป็นการครุกคีถ้าม่มีประโยชน์มีแต่โทษมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อมันชอบคุกคีกันบ่อยๆแล้วมันก็เกลียดคลานทําคมเพียนสิแบบนี้ยิ่งไม่มีผู้บังคับบัญชาอย่างนี้แล้วก็ไปคุยกันเล่นจนดึกจนดื่น พอง่วงนอนแล้วก็เลิกกันไปกับไปนอนกันอนอนกันจมไปเลยเนี่ยถึงเวลาตื่นก็ไม่ตื่นถึงเวลามารวมกันทำมัดสวดมนต์ตามระเบียบก็ไม่ได้แล้วเข้าใจเอาเป็นอย่างนั้นนะที่มันขาดการทำมัดสวดมนต์เนี่มันเป็นลักลอบคุยกันเล่น อยู่จนดึกจนดื่นแล้ววันนี้ไปนอนมันก็หลับไหลไปเลยอย่างนี้แล้วก็มันก็หมดสภาพของความเป็นนักบวชหรืยว่าจิตใจมันตกต่ำลงไปพอแรงแล้วจับไปไม่ยืดเลยนักบวชผู้นั้นเป็นอย่างนั้นนักบวชที่จะ มีชีวิตอยู่ในพรหมจรรย์ไปได้ยั่งยืนนานก็เพราะปรารกความเพียรอยู่เสมอเสมอส้มรวมจิตของตอนให้สม่ำเสมอไป<น>เมื่อจิตมันสงบระ ง, งับอยู่อย่างนี้มันไม่ชอบคุยกอกคนเราเนละมันเบื่อครับเลื่อนไปคุยกันเล่นเฮฮามองด้วยเรื่องราวที่พูดแล้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้นะมันเบื่อ ธรรมดาคนมีใจสงบมีปัญญามันต้องเป็นอย่างนั้นคนใจไม่สงบแล้วอันนั้ได้คุยกันมากๆแล้วก็ถือว่าสบายดีมันได้ระบายอารมณ์ที่อัดอั้นอยู่ในใจออกไปแต่ระบายออกไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสิเพราะตนมันสร้างขึ้นเรื่อยนั่นแหละจุดแ่งความเสื่อมของนักบวช ไม่ว่านักบวชไม่ว่ากระลือหัดเหมือนกันเลยพูดแลยกระลืหัสถ้าชอบพูดมากชอบคุยมากไม่รู้จักประมาณในการพูดการคุยแล้วอย่างนี้จิตใจมันก็เสื่อมทรามเหมือนกันเลยเหมือนกันเพราะว่าใจอยากดวงเดียวกันนักบวชก็ดีกระลือหัดก็ดีไม่ใช่ว่าใจนักบวชเป็นอย่างหนึ่งใจคระลือหัดเป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่ กิเลสกัตัวเดียวกันนี่ธรรมะกับอันเดียวกันอย่างนี้นะอลองสังเกตดูอ่ะต่างแต่วินัยเท่านั้นเองนี่แหละที่ที่ให้ฟังให้เห็นนให้เห็นจุดบกพร่องกันเมื่อหากว่าได้ประพฤติไปอย่างนั้นจริงอย่างนี้ มันก็ควรจะตื่นตัวถ้าหวังดีตัวตัวเองหวังจะยกตนในพ้นทุกข์นภัยในสงสารนะมันก็ต้องบังคับตัวเองให้ได้แล้วจะไปคอยจะพ่นบับงคับอยู่อย่างนั้นนะไม่ไม่ได้แล้วเราไม่ใช่นักโทษนะต้องเตือนตนนะมีแต่นักโทษที่ไปติดคุกติดตารางอยู่นู่นเลยอะนนั้นเจ้าหน้าที่เขาต้องคุมเจอ ย, อยู่งั้น อย่าไปชอบเป็นนักโทษที่คนเราต้องชอบความเป็นอิสระคำว่าความเป็นอิสระในที่นี่หมายความว่าเรายึดเอาธรรมวินัยเป็นหลักเครื่องดำเนินเมื่อยึดเอาธรรมวินัยเป็นเครื่องดำเนินแล้วไม่มีใครมาบังคับบุกคุ้มก็มันก็ทำความดีไปได้ มันก็รักษาตัวให้เป็นคนดีไปได้สกัดกั้นความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในตนก็ได้นี่นะคำว่าอยู่อย่างอิสระนะไม่ได้หมายความว่าอยากทำอะไรจะทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปนั่นเรียกว่าอยู่อย่างอิสระอิสระแบบนั้นไม่ได้ ไม่มีเขาไม่มีใครเขาส่งเสริมกันอิสระแบบนั้นในโลกอันนี้แม้เป็นครึงหัดก็ไม่ได้นะจะไปอยู่อย่างอิสระแบบนั้นเราก็มีกฎหมายบังคับไว้อาสิ่งที่ตนต้องการทำนั้นไปขัดต่อกฎหมายเข้าไปอย่างนี้ขืนทำลงไปก็ต้องถูกดำเนินเรื่องต้องพิจารกกันในศาลผิดกฎหมายแล้วศาลก็ตัดสิน หลงโทษไปตามโทษหนักโทษเบาดังนั้นคำว่าอิสระคำนี้นะอย่าไปเข้าใจผิดไปถ้าพูดถึงในทางที่ดีแล้วอิสระหมายว่าเรายึดเอาธรรมวินัยคาสอนพระเจ้าเป็นครูเป็นศาสดาผู้สร้างสอนคือเราเอาธรรมวินัยนไปสอนตัวเองนั่น ตนได้ยินได้ฟังมาอย่างไรตนได้ศึกษาเราเรียนทรมาอย่างไรกน้อมธรรมะนั่งเข้าไปสอนใจน้อมใจของตนให้เป็นไปตามธรรมะนั่นนั้นน้อมใจของตนให้เป็นตามไปตามวินัยนั่นนั้นไม่ใช่ว่าน้อมวินัยไปตามใจตัวเองถ้าตนเองชอบจะทำอะไรแล้วนี่ไม่ผิดละ ว, วินยัย ไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องน้อมทนไปตามพระวินยัยพระวินัยห้ามไม่ทาอย่างนั้นเราก็ไม่ทาพระวินัยห้ามไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่พูดทรงอนุญาตให้ทำอย่างนั้นให้พูดอย่างนั้นแล้วก็ทำไปตามนั้นพูดไปตามนั้นถ้าเราทำไปพูดไปไม่ผิดต่อพระวินัยแล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้มีอิสระ ในการทำการพูดเพราะมันไม่ผิดเมือมันไม่ผิดแล้วมันก็มีคุณมีประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นก็เป็นไปเพื่อมรักเพื่อผลธรรมวิเศษในการต่อไปอย่าไปเข้าใจว่าความประพฤติการกระทาตรงต่อทำต่อไปในนี้นมันจะเพียงแต่แค่ ได้ดิบได้ดีในปัจจุบันบอหรือว่าแค่ให้ได้เกิดในที่สุขสนุกสบายอะไรต่ออะไรเท่านั้นก็ยังเป็นทางดำเนินไปสู่พระนิพพานโดยตรงนี่ต้องให้เข้าใจนี่แหละทางไปสู่พระนิพพานเราดำเนินตามธรรมตามวินัยที่พระพุเทธเจ้าทรงแนะ น, นำสั่งสอนแต่งตั้งบัญญัติไว้นี่ เราเดินตามทางนี้แล้วก็ตรงไปสู่พระนิพพานได้เรียวกว่าเป็นทางคนทุกขไปได้นี่ต้องให้เข้าใจไม่เช่นนั้นแล้วพระ อ, องค์จกไม่บัญญัติห้ามความรับพฤ้ต่างๆบางอย่างนั้นนะเพราะว่าพระ อ, องค์รู้แจ้งนี่ถ้าผู้ ได้ประพฤติไปอย่างนั้นทำไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่ทางไปพานิพานอย่างนี้พระองค์รู้นะพระองค์เจ้าจึงในบัญญัติห้ามเป็นอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไปแล้วมันเป็นทางไปสู่พนานิพานพระองค์ก็อนุญาตให้ทำไปได้พูดไปได้ เราไปทุกคนนะทั้งครือขัสทั้งนักบวชอ่ะต่างก็มาปฏิญญาณตนนับถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนทําไมเราเราจึงมาปฏิญญาณตนนับถือว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็ต้องถามตัวเองดู่ ตนเองจะตอบตนว่าอย่างไรถ้าว่าตนนั้นมีความรู้ดีมันก็ต้องตอบตนได้ว่าก็พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ฝึกพระองค์ให้พ้นทุกขไปแล้วแล้วพระองค์กลด น, นียห น, นทางพ้นจากทุกให้แก่คนอื่นด้วยพระองค์ไม่ได้หวงเอาไว้ผู้เดียวเรามาศึกษาคำของพระพุทธเจ้าแล้วก็มองเห็นว่าเมื่อปฏิบัติตามนี้มันจะพ้นทุกไปได้จริง แล้วคําสอนที่เราได้ยินได้ฟังเราได้มาจากพระสงค์วันนี้พระสงค์ถ้าเป็นผู้ศึกษาเราเรียนจดจําสั่งสอนกันสืบสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้เราจึงได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงเป็นเหตุได้เราเคารพนับถือพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ผู้นาผู้แนะนําสั่งสอนด้วยแล้วก็ผู้ ทาความดีเป็นตัวอย่างของทายกทายิกาด้วยเพราะเหตุผลดังกล่าวมานี่ก็จึงได้เคารพนับถือบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นอย่างยิ่งแม้ชีวิตก็สละบูชาได้ไม่ใช่จะเพียงแต่กราบไหว้เท่านั้นบูชายอย่างไรบูชาว่า ถ้าจะมีใครมาใช้อำนาจบังคับนะให้กล่าวเสีว่าพระพุทธเจ้ า, ไ ม, จาไม่ใช่พระเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ข้าพระเจ้าไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่นับถือพระธรรมไม่นับถือพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง้าใครเข้ามาขูบา่บังคับให้กล่าวปฏิ ญ, ญาณเอาไวอย่างนี้ถ้าไม่กล่าวคำปฏิ ญ, ญาณตามที่เขาบอก เขาจะฆ่าให้ตายอย่างนี้นะผู้ที่เห็นแจ้งในคุณพระรัตนกรนั้นแล้วจะไม่ยอมกล่าวเลยเอาฆ่าก็ฆ่าตายก็ตายเราจะไม่ยอมกล่าวเลยเพราะเรามองเห็นพระคุณเหล่านี้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเราไม่ถงไัยแล้วเราตายด้วยพระคุณทั้งสามนี่ เรานึกว่าเราไม่ไปสู่ทุกข์แน่นอนถึงไม่ไม่ได้ตายคราวนี้ต่อไปมันก็ตายเหมือนกันเอา้าวตายตายคราวไหนแล้วก็แล้วไปแต่ตนเป็นผู้ที่สะสมความดีไว้ในใจสะสมที่พึ่งไว้ในใจให้เต็มความสามารถแล้วตายเมื่อไรก็ไม่เสียไดยม้มันต้องอย่างนี้ ผูปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะต้องมีใจเด็ดเดี่ยวอย่างนี้นะมันจึงพ้นทุกข์ไปได้พ้นจากอำนาจของกิเลสปาบธรรมไปได้ถ้าใจไม่เด็ดเดี่ยวไปถึงขนาดที่ว่านี้่แลก็ยังจะต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไปนานมันเป็นอย่างนั้นแม้การเจริญสมถะและวิปัสสนาก็เหมือนกัน ถ้าใจไม่เด็ดเดี่ยวจริงๆลงไปใจก็สงบไม่ได้กลัวทุกข์กลัวเจ็บกลัวปวดอะไรอยู่อย่างนี้นะใจลงไม่ได้เลยมันต้องสลักชีวิตลงไปจริงๆอา้าวถ้าจิตนี้ไม่สงบเราจะไม่ออกจากที่นั่งเนี้ยเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เลยตายกับนี้อย่างนี้นะ เมื่อตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ลงไปอย่างนั้นแล้วมันไม่เหลือวิสัยมันกลัวตายมันก็ลงสิกว่า น, นี้นะมันก็รวมลงไปได้อันนี้เราไปไม่ได้ทันไม่ได้ทันทำความเพียรอะไรไปกลัวตายไว้ก่อนแล้วอย่างนี้ใจมันจะไปลงได้ยังไงอ่ะลงไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องมีใจเด็ดเดี่ยว ถ้าปฏิญญาณตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้อย่างนี้น ะ, ะไม่ต้องกลัวดอกตายนะนะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายตายอยู่วันยังค่ำเลยไม่มีใครจะไปอยู่ในโลกนี้ตลอดได้นะเพราะฉะนั้นก่อนตายเราก็จะต้องพยายามขาจัดกิเลสปัญหา อันมันมีอยู่ในใจนี้ให้มันออกไปถ้ามันออกไม่หมดก็ให้มันเหลือน้อยเต็มทีมันต้องตั้งปณิธานในใจว่าอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้